بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد رسوله ب ิ ل มิลล الذي لا ي ิลัยดุรุมะอัลมิฮิชัยอุนฟิลอาร์ดิวลาฟิสสัมไอม์วะฮุส ل าม ل น ي ัลิมบิสมิลลาฮิลลาด ل ا ัยด ل รุมะอัลมิฮิชัย س م นฟิลอ ل ร์ดิว ا าฟิสสัมไอ ي ์วะฮุสซามินอัลิม ا ิสมิลลาฮ ل ล م ا ดิ ه Allahumma innana nasallukan jannah ونعوذبك من النار. Allahumma فكيه في الدين وعلمه تأوين. Assalamu a ม a i k u m w a r a h m a t u l ว a h wabarakatuh. ครับตะกบลลาอวมินาอวมินกุมนะครับขอ Allah subhanahu wa taala ทรงตอบรับการงานที่ดีของพี่น้องทั้งหลายนะ ก็ในสสาวที่แล้วเป็นวันตรชรีเราก็หยุดกันนะครับให้พี่น้องได้พักผ่อนเฉลิมฉลองทานอาหารการกินเนื้อกุรบันไปเยี่ยมญาติเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติกันอัลฮัมดุลิลละแล้วก็ตัวของผมเองก็มีอามานะในการจัดการเรื่องกุรบันด้วยนะครับเนื้อที่สวยๆที่ได้ เอาไปให้เจ้าของสวนและแจกจ่ายก็ต้องยาจาขุมุนล้อนะครับเบด้วยนะอ่าก็แนะนำกันไป mm hmm. ก็ไปได้ฟาร์มที่ราชบุรีนะครับทมด้วยละดีมากเลยทุกคนชื่นชมมากนะกับเนื้อที่เอาไปแจก ท, ที่ไปทำฟาร์มของจัสมินนะฮะอ่านั่นแหละเพราะว่าเป็นเนื้อแต่งเนื้อแต่งนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เนื้อเป็นก้อนๆให้ไปมันครึ่งหนึ่ง เนื้อครึ่งหนึ่งแต่นี่แต่งเนื้อมาให้สวยเหมือนในตลาดตัดมันที่มันเกินเกินออกหมดฮะก็ฉันน่ะไปตั้งแต่วันพฤหัสกับไปเอาเนื้อวันศุกร์ไปที่ราชบุรีเนะี่ยไปอยู่คุกตรงนั้นน่นนะแจกเนื้อเลยทมดูลินละนะก็เวลาเราจะแจกอะไรเราก็ต้องแจกของที่มันดีๆเนาะอฮัมดุลินละนะครับก็ขอบคุณเบด้วยนะครับที่แนะนํามา อ่ก็เข้าสู่สถานการณ์ปกติหลายๆคนที่มีญาติพี่น้องไปทําฮัตตอนนี้ก็น่า จ, จะเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ได้ฮัตยีกันหมดแล้วแต่ยังกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าไปช้าแต่ใจตอนนี้ยผมว่ากลับมาเมืองไทยหมดแล้วแหละนะตอนนี้ก็ชอปปิ้งไปอชอปปิ้งไปพกักรีทฮั์เสร็จแล้วอ่ายังไม่ได้เข้ามาดีนะเดี๋ยวก็รอเข้ามาดีนะนะ จริงฮัทเนี่ยไม่เกินสิบวั น, เน่เสร็จแล้วอแต่เขาให้ไปนานหน่อยเพราะว่าในไหนไปทีนึงก็อยู่กันสักเดือนนึงนะแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเขาปล่อยเช่าโรงแรมเนี่ยไอเช่ารายวันกับเช่ารายเดือนมันต่างกันเขาเลยให้เช่าเป็นเดือนไปนเลยเอนั้นเมืองไทยเวลาไปก็ไม่เหมือนคนอาหรับอาหรับนี่เหมือนกับรีบไปเจ็ดวันกลับแล้วพออาหรับออกปับ๊บที่อยู่ก็นในเมืองก็ว่างคนไทยแล้วก็เข้าไปอยู่ ไอตอนที่มั น, น, นคนเยอะๆเนี่ยคนไทยไปอยู่ข้างนอกก่อนเพราะไอรับมันมีสตางค์เยอะมันก็เช่าอยู่อ่านี่มันเป็นเหตุของมันทำไมตอนแรกทำไมอยู่ไกลแล้วตอนหลังถึงย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ก็อาหรับก็ออกเมืองหมดแล้วกลับประเทศหมดแล้วเราก็เข้าไปอยู่ข้างในอ่มันเป็นแบบนี้แหละอ่าจะไปอยู่ตั้งแต่แรกเลยต้องจ่ายเพิ่มมากเพราะว่าต้องไปไปไปไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปจ่ายเงินแข่งการับและอาหรับกรูอยู่สตางค์มันเยอะมันก็ได้ที่ใกล้ๆไว้ไก่อน นะอันนี้ก็ไา้พี่น้องฟังว่ามันเป็นระบบระเบียบของคนที่ไปไปทําฮั์นะครับก็ขอด้วยนะให้หุนย์ทั้งหมดกลับมาประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะครับเอาล็อกมาอามีนะเพราะว่าปีนี้แล้วก็ขอให้ได้ฮัทจีมาบรูทด้วยนะทุกคนเลยแล้วก็ปีนี้ก็ข่าวเสียชีวิตนะ่ยมีเยอะนะเยอะมากปกติไม่เยอะขนาดนี้นะแต่ปีนี้รู้สึกว่าสิบกว่าคนไปแล้ว อากาศร้อนใช่ไหมแล้วก็คนเยอะคนเยอะมากนะแล้วก็เดี๋ยวนี้อีกเรื่องหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บดี๋วนี้มันแปลกแปกมีขาวดูขาวไหมล่ะท้องเสียตัดมือเงี้ยเป็นโรคอะไรไมรท้องเสียเลือดเป็นกรดเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่าอย่าประมาทเก็บไข้เล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆเนี่ยไปปรึกษาหมอดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้โรคแปลกเยอะอ่อก็คือขอดูอ่านแหละนะนะขอดูอากาอับล่อแต่ว่าไปปรึกษา เลือดเป็ น, ปนกดไงเขาบอกเลือดเป็นกดเลยไม่รู้เนี่ยดูข่าวอ่าก็นี่ผมจะบอกเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บมันแปลกๆมันไม่เหมือนสมัยบ้านปมืก่อนเรามันไม่ค่อยมีกี่โรคหรอกแต่สมัยเนี้เห็นไหมมันมีโรคอะไรแปลกๆเยอะก็ใช้ชีวิตอย่างระวังขอดูอานะขอดูอานะครับแล้วก็แน่นอนนะผู้ดีทําให้หายก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานะครับขอดูอากับพระองค์เยอะๆนะอย่าลืมอัสกาดยามเชา้ายามเย็นนะครับ เดี๋ยวเรามาอ่านกันอายะที่เจ็ดสิบห้านะครับสุร์อันนิซาสุร์อันนีซานะไม่ใช่อันนะอันทําไมเป็นอันล่ะเพราะว่ามันนูนอาลิฟเข้าไปที่นูนอันนิซาถ้าอันไหนเป็นลามกอมลียะเป็นอัลเช่นอัลอัลมาอิดะอัลบากอรอตรงนี้เป็นอันนิซาอ่า เริ่มต้นที่ฟาติฮาก่อนนะครับอัลลอฮุบิลเลห์ฮิมินัสเชตานิรจิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมอัลฮะมดุลิลอฮิรรับบิละลาミン อัลลอฮ์มานีอัลราฮิมมาลิกิอูมิดดินอียังกะนับดูและอียังกะนัสต اع ิน อิห์ดีนะสิรัตัลมุสตักิมสิรอตัลท้้าดีนั้นงามต์อัลัยหิม غير ال ال ا ل م ُ و ب عليهم ولضالين ัมิน أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و أ م َ ا لَكُم ل ا ت ُ ق ا ت ِ ل و ن َ فِي س َ ب ِ ي ل ا ل ل ه وال มุ stąعفينا من الرجالي وننسى و ا ل و ل د ا ن الذين يقولون น ب ن นท خ ر น ن ا من هذه ا ل ق ر ي ่ ر ب ن น เราขึ้นจ ه กนั้นในแห่งเหล่านียติ วَั่ง ن ลนาหม ك َ و َลดุนค์วัَีย์َจั่งเลนาหม ل َนหลด ك َ نَصِيرًا ال ذ ي ن آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله و الذين كفروا يقاتلون في سبيل و ا ل ل ف و ي ق ا ت ل و في سبيل ا و ف ق ا ت ل أولياء الشيطان. อินน่าไกดะชัยตานิกาณ์ ضعيفة อินน่าไกดะชัยตานิกาณ์ ضعيفة มาดูความหมายนะครับอ่ายังอยู่ในเรื่องของการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งถือว่าเป็นอามันที่จะต้องฝืนหัวใจมากที่สุด คือการเสียสละชีวิตของเราเพราะด้วยกับปกติของมนุษย์แล้วมักจะมีความกลัวกลัวตายกลัวตายกันนะแต่ในสำหรับผู้ศรัทธานเนี่ยความตายนั้นมีในสองมุมมุมแรกก็คือถ้าเป็นคนดีเนี่ยความตายเป็นเรื่องที่เป็นการพักผ่อน แปลว่าอะไรแปลว่าไอที่ต้องเหนื่อยในดุนยาเนี่ยก็จบแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วคนที่ป่วยเป็นโรคอย่างของฉันเนี่ยตอนนี้นั่งแล้วก็เมื่อยเพราะช่วงหลังๆนี่นั่งเยอะนอนก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนะพอตายไปแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บอะไรแล้วแต่ความตายนั้นก็จะเป็นการย้ายไปอยู่อีกโลกหนึ่งเพื่อที่จะถูกสอบสวนแล้วก็ ได้รับความเมตตาจากลอสุบะฮานาหัวตาลานะนั้นใครที่เสียชีวิตในขณะที่ทำอามันอิบาดาอยู่นั่นเป็นอารามัตเป็นเครื่องหมายของคนดีเขาเรียกว่าวฮุสนุนคอติมะเช่นกำลังอยู่ในพิธีฮัทที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วก็เสียชีวิตนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นคลิปในต่างประเทศนะอ่านกุรอานเสียชีวิต คุตบ้าเสียชีวิตเพิ่งมาเห็นคนไทยที่กำลังนตซีฮัตแล้วก็อัลลอฮ์ก็เก็บไปในช่วงช่วงนั้นเลยนะตอนแรกฉันก็ฟังไม่ออกเขาแปลว่าเขามีคำซับตอนหลังเขาบอกว่าเจ็บหัวปวดหัวหรืออะไรเนี่ยสักพักหนึ่งก็หมดลมเลยนะแล้วก็เป็นอะไรที่อ่าเป็นอะไรที่กระทันหันเนาะเพราะว่าถ้าปกติคนเจ็บป่วยแบบเนี้ย ถ้าเป็นเยอะๆเข้าไปอยู่โรงพยาบาลแต่นี่เหมือนกับร่างกายก็ปกติดีและอยู่ดีก็น็อกไปเลยนะนนี้ก็ได้อาการหัวใจนะครับหัวใจล้มเหลวฉับพันก็ล่าให้พี่น้องฟังว่าัำดูละเราก็จะเห็นว่าการเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะเสียชีวิตในขณะที่ทำความชั่วเสียชีวิตในขณะทําความดีนะแต่แน่นอนว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยผลการตอบแทนก็จะแตกต่างกันระหว่างคนดีและคนชั่วกรนี อัลลอ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยก็ได้สั่งใช้นะอัลลอฮ์บอกว่ามีเหตุใดเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากันนั้นหรือวามาละกุ่มมีเหตุใดเกิดขึ้นกับพวกเจ้ากันนั้นหรือลาตุกตีลูนาฟีซบีดินละที่จะไม่สู้รบในหนทางของอัลลอฮ์อ่าเพราะเดิมแรกเลยเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยอัลล์ุบฮานะหัวตาลาห้ามแม้กระทั่งยกมือกันนะ คือแต่เขาจะตีก็ต้องยอมให้เขาตีช่วงแรกเลยตอนที่อยู่ที่มักกะเหตุผลก็เพราะว่าความพร้อมในการที่จะสู้บางครั้งเนี่ยสู้ไปก็ตายเปล่าก็การยอมตรงนี้ก็เป็นการถอยออกมาหลังจากนั้นพอมุสลิมมาตั้งเมืองใหม่ก็ที่เมืองดีนะก็มีคำสั่งให้ต่อสู้ก็คือสู้กับพวกไหนพวกมุสลิกีนั่นแหละตอนนั้นไม่ได้รบไปที่โปงเบอร์เซียไม่ไปยุ่ง ลบแค่ไอเมืองเก่านี่แหละก็คือเมืองมักกะตอนนั้นที่ยังมีตั้งตนเป็นศัตรตูอยู่ออแล้วถามว่ามันมีเหตุใดหรือทำไมพวกท่านถึงไม่สู้รบในหนทางขอละวัลมุสตัดอัฟีเนะั้งทั้ ง, ท, ง, ท, ง, ท, งที่บรรดาผู้ที่อ่อนแอมุสตัดอัฟีนดออนี้แปลว่าผู้ที่อ่อนแอทั้งหลายมีอะไรบ้างหนึ่งมีแนนรีจานผู้ชายผู้ชายนี่อ่อนแอยังไงละ่ะ สุขภาพไม่ดีกี่บอกอัลนัมดูดิแล้วผู้ชายที่ ล, กลุกก็โอยเจ็บก็โอยไออย่างนี้ก็อ่อนแอนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายจะเข้มแข็งหมดนะผู้ชายพิการผู้ชายเป็นโรคบางคนเนี่ยทําไมพัทยาแข็งแรงจังเลยก็ไอบ้บางอะโรคเป็นสิบะ่ะพัทยาไม่มีอะไรเลยไม่แข็งแรงก็เป็นไปได้แต่ด้วยสภาพปกติถ้าเสมอกันเนี่ยสุขภาพดีเท่ากันไงผู้ชายก็กําลังเยอะกว่าอยู่แล้วไปด้วยปกติน่ะทะเลาะกับภรรยา ภรยาเปิดหัวดซอสไม่ ไ, ได้ก็ต้องบ้างเปิดซอสให้หน่อย mm. เห็นไหมสุดท้ายก็มาให้เราเปิดหัวซอสอีกนี่แหละผู้ชายมีกําลังที่มากกว่าแต่เป็นไปได้ไหมถ้าผู้ชายจะอ่อนแอก็เป็นไปได้เป็นทาสนะถูกกดขี่ประมาณนี้วันนีซ่าและก็สตรีที่ถูกกดขี่ขมเหงอยู่วันวินดานวินดานแปลว่าอะไรแปลว่าเด็กนะตรงนี้มีหลายความหมายนะมีความหมายคำว่าเด็กรับใช้ก็ได้วินดาน วินดานุนมข ล, ลดูลนไหนนี้อยู่ในกุรานในสวรรค์จะมีเด็กคอยรับใช้เวียนมารับใช้รินน้ำให้อะไรให้ตรงนี้ก็แปลว่าเด็กจริงๆไม่ใช่เด็กที่อยู่ในสวรรค์เด็กที่อยู่ในเมืองที่ถูกรังแกถูกข่มเหงอยู่อัลลดีนะยากลูนาะคนเหล่านี้ที่เวลาเขาถูกรังแกเนี่ยเขาก็จะก่าวดูอาก์กอัลลอ์อันนี้เป็นดูอา์ที่สาหรับคนที่ถูกรังแกข่มเหงนะ ให้อ่านอันนี้ไปเยอะๆวงเล็บไว้เลยนะใครที่อยู่ในเมืองที่ถูกกดขี่คมเหงแล้วไม่มีใครที่จะมาบุคคลนะ่ที่จะมาช่วยเหลือเราแต่ก็รอคอยคนที่จะมาปลดแอ ก, กมาช่วยเหลืออยู่เนี่ยหรือถูกจับไปอยู่เนี่ยนะติดต่อใครไม่ได้อ่านดูอาบทนี้เออถูกจับไปได้ขาไทยอ่านดูอาบทนี้รบบานาอัคริชนามินฮาดีฮิลกอร์ยา โอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดนําพวกเราออกจากกริยะกริยะก็คือเมืองนี้อหรือสถานที่แห่งนี้ตรงนั้นตรงนี้หมายถึงที่ไหนเนี่ยก็เมืองนี้หมายถึงที่ไหนเหตุการณ์เนี่ยที่เราเล่าเล่าเนี่ยหมายถึงเมืองอะไรเมืองไหนที่มีการกดขี่อยู่ในสมัยท่านอบีเมืองมะ ก, กาะไ ง, ะ ย, งยังอยู่กับฉันอยู่ไหมเนี่ย ยังอยู่นะยังไม่ไม่เผิ่มกลับไปก่อนเนี่ยที่ที่ให้อ่านตรงนี้หมายถึงในตอนนู้นเน่ยก็คือเมืองมักกะที่ยังไม่ถูกพิชิตเพราะคนบางคนก็อพยพมาอยู่มาดีนะบางคนก็โดนขังเอาไว้อพยพไม่ได้ถูกกักถูกกักเอาไว้บางคนลูกมาแล้วพ่อแม่ยังอยู่พ่อแม่ก็ถูกทรมานโอ้ยถูกจับถูกแยกไปหมดเลย แต่คนเหล่านี้อดทนกับบททดสอบตรงนี้ก็ขอดูอากรละร์บาบนาอัคริชนามินฮาดีฮินกอร์ยะโอพระผู้บริบาลของเราโปรดนำพวกเราออกจากเมืองนี้นะก็คือเมืองมักกาเนียจอลิมิอาลูฮาซึ่งชาวเมืองเป็นผู้ที่ข่มเหงรังแกสมัยนู้นนะสมัยที่ยังไม่ได้พิชิตมักกาเนียคนที่เป็นเจ้าเมืองเขาก็ ผมเหงรังแกคนที่เป็นมุสลิมจนกระทั่งนบีต้องหนีออกมาอบพยพออกมานะแล้วก็ต่อแล้วก็ขอดูอาต่อวาจาเลนามินลาดุนกาวลียาและโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้คุ้มครองคนหนึ่งจากที่พระองค์อ่านะวาจาเลนามินลาดุนกนาซีรอและโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเรา ซึ่งผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งจากที่พระองค์ขอด้อวอให้มีคนมามาช่วยเหลือเอลล์ก็ถามไปยังบรรดาคนที่เป็นมุสลิมที่อยู่มา ด, ดินาเนี่ยเหตุใดล่ะทำไมถึงไม่อยากจะสู้รบกับพวกนี้ทั้งๆ ท, ที่พวกนี้ที่อยู่ในเมืองของเขาเนี่ยเขากำลังกดขี่กลมเหงมุสลิมพี่น้องของพวกเราอยู่ที่อยู่ในเมืองมักกะการสู้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการล้างแค้น โอ้โหมันเป็นการเอาหนี้ใช้หนี้ไม่ใช่แต่ในมุมตรงนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือปลดแอ ค, คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงพี่น้องเชื่อไหมว่าสงครามที่เกิดขึ้นในสมัยหลังเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมุสลิมที่ไปพิชิตเมืองต่างๆเนี่ยพเพือเอนี่นะไม่ใช่เพือเจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะไปสู้รบโดยซ้ําแต่มันถูกคนในเมืองนั่นแหละบอกให้ออกมาช่วยพวกเราหน่อยเพราะพวกนําของเมืองเนี่ยมันแย่เหลือเกิน ช่วยเอาอิสลามมาปกครองพวกเราหน่อยเพราะมันทุจริตมันขดขีคข่มเหงเราเอาอิสลามมานะเพราะอิสลามนี่แหละที่จะให้ความเท่าเทียมกันแม้กระทั่งคนที่ไม่นับถืออัลลอฮ์ก็ให้อยู่ได้โดยปลอดภยัยไม่ไปเอาเปรียบไม่เอาเปรียบเขานะไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องเผาศา ส, สนาสถานอิสลามห้ามหมดเลยจะไปเผาวัดเผาว่าเผาโบสถ์ไม่ได้ต้องให้ความปลอดภยัยนะ คนที่เป็นสตีคนที่เป็นเด็กคนที่เป็นนักพจนักบวชในศาสนาเมื่อเข้าไปปิชิตเมืองแล้วเผาไม่ได้ห้ามตัดต้นไม้นี่คือความสวยงามของอิสลามและถ้าเกิดใครอยากจะอยู่ในเมืองนี้จ่ายภาษีสิเมื่อจ่ายภาษีก็ถือว่าอยู่ได้ใ น, ใ น, ใ, นในการในการทมาหากินอย่างปลอดภัยอย่างสุจริตนะครับนะคราวนี้ต่อมา อัลล น, าาานูอลลอฮ์บอกต่ออายะห์ที่เจ็บหบอกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นพวกเขาจะทำยังไงอยู่กอตีลูนาฟีซาบีลินละเขาจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธวัลเลดีนกาฟารูอยู่กอตีลูนาฟีซาบีลินละเขาจะต่อไม่ใช่ซา บ, บีลินะซาบีลตตอุต เขาก็จะต่อสู้ในหนทางของตอกูดซึ่งแปลไปแล้วตอกูดก็คือสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาว่าเป็นพระเจ้าไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์จะเป็นวัตถุจะเป็นหินเป็นดินเป็นทรายหรือจะเป็นนามธรรมาเช่นต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ใช่นั้นแหละเพราะเพราะการต่อสู้เพื่อชาติพันธุ์ก็ไม่ต่างอะไรกับการต่อสู้เพื่ออย่างอื่นแต่การต่อสู้ที่อยู่ในหนทางของล็อกคือการ คงไว้ซึ่งความสูงส่งของพระดำรัสของลอสุบฮาหนาะหัวตาละนะคนเหล่านี้ต่อสู้เพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อลอส์นะฟะกอตีลูอาลลียอัชชัยตอนอัลลอ์บอกต่อาตาว่าดังนั้นจงสู้รบกับสมุนของเชยตอนเถิดนะสมุนของเชยตอน อินนาไกดชัชเชยตันีกานาบราฟาและแท้จริงอุบายของชัยตอนนั้นมันช่างอ่อนแอยิ่งอ่าชัยตอนไม่ได้เข้มแข็งอะไรเหตุที่ชัยตอนเข้มแข็งเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะเรา air <laughs> เอ่อนแอไงเออที่ชัยตอนมันมีอํานาจไม่ใช่ว่ามันมีอํานาจโดยตัวมันแต่เราต่างหากที่อ่อนแอเมื่อเราอ่อนแอเมื่อไรชัยตอนมันก็มันก็ข่มเราก็เหมือนกับฮาาวานับซูเลย ใช่ไหมเมื่อเราที่ air, อ่อนแออิหมานอ่อนแออารมณไฟต่ํามันก็คอบงำํำยับยั้งตัวเองไม่ได้อ่แตจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้มแข็งเราอิมมีหมานนะขอโทษนะต่อเอาช้างมาฉุดก็ไม่ทําหรอกสมมุติมีคนเนี่ยชวนจะไปไปทําศีนาไปกินเหล้าเนี่ยอลองคิดดูนะ่ยคนที่อยู่กับมาซีดคนที่อีหมานเข้มแข็งเนี่ยจะให้ตังกินล้านกินมื่ยกี้ไม่มีทางจะผู้หญิงสวยขนาดไหนเป็นนางแบบขนาดไหนจะเอาตังไม่เท่าไหร่เขากลัวเหร ถามว่าไชตอนมันจะแข็งไหมล่ะไม่แข็งหรอกอ่อนเลยแต่ถ้าเมื่อใดที่อิมานอ่อนนะอะไม่ต้องใครตังหรอกเค้ากกวักมือเรียกกับไปแ ล, ล้ว ไ, ไหนแม่มันตัวเราอ่อนแอไม่ใช่ไชตอนเข้มแข็งเอาล่ะจึงบอกว่าแท้จีนไชตอนเนี่ยอุบายของมันที่มันมาหลอกเราเนี่ยมันอ่อนแอมากเกินโดยเฉพาะสําหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานนะฮัวตาลานั้นไชตอนจะมีอํานาจได้เฉพาะคนที่อ่อนแอคนที่ไม่อิมานต่อลอ คนที่อีมานอ่อนนะครับนะอ่ะนี่ก็คือความหมายซึ่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้อธิบายเยอะเพราะว่าได้อธิบายมาก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับคราวนี้เขาบอกต่อแนะ่นิดหนึ่งว่าอิมนนอัอ บ, นอบบาสก็บอกว่าอายา this เนี่ยก็พูดถึงมารดาของฉันและก็ตัวฉันด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ที่อ่อนแอที่ที่บอกแบบนี้เพราะอะไรเพราะอินอับบาสเนี่ยท่านเป็นเด็ก ตอนนี้ก่อนที่ อ, อ, อยพยพมาเนี่ยถามว่าวินดา น, นี่คือรวมใครด้วยก็รวมทานายมวบบาสไปด้วยก่อนที่อยพยพมาไงเพราะตอนนั้นเป็นเด็กนะและคุณแม่ของท่านก็ถูกกดขี่คมเหงนะครับอยายันี้เพื่อรวมทนายมวบบาสอกอายันี้ก็พูดถึงตัวฉันด้วยในขณะนั้นเพราะฉันตอนนั้นก็ยังเป็นเป็นเด็กอยู่คนหนึ่งที่ถูกกดขี่ขมเหงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อในอายะที่เจ็ดสิบเจ็ดและก็เจ็ดสิบแปดและก็เจ็ดสิบเก้า อืม <bullet> <soundtrack> อยู่ตรง the น Rolle, ี้แหละตัวนี้แหละไหนกุฟูตรงไหนอ่ะอ๋อนี่หรออ๋ออันยาวอันยาวกุฟูใช่ขอปรึกษากีแป๊บหนึ่งไงนี่นี่เขาเรียกที่ปรึกษากิติมศักด ที่บุษาอ่สีห้าได้สี่ได้ห้าได้มัจยาอิสเนี่ยสองสี่ห้าออบิลลาะิช่ท่านิรอย์อัลลอฮฺมต้ร์อิลลัลลาดีนักิลลัลหุมกุฟฟูอัดียาุม ألم َْ ت َ ر َ إ ِ ل َ ى الَّذينَ ِ قيلَ ِ ل َ ه ُ م ْ قُفُوا أيديَكُمْ ِْ ววาาออักกิมละะตุเวลาตาที่เป็นตากรมนะตามับดูต้อนเนี่ยคือตากรมตาแบนตาแบนก็เขียนตาที่เป็นเป็นแบนตาธรรมดาเป็นตาเป็นแบนแล้วก็ตากรมเวลาหยุด นะครับก็ให้เปลี่ยนจากตาเป็นท้าใหญ่เราจะไม่อ่านว่าซากเกตแมวเป็นซากะพดลมไปเลยนะหยุ่ตมีนหุ่มนะ فلما ك ُ ت ِ ب َ عليهم القتال إذا فريق منهم فلما และคนที่เ um, ข้มุลตลูอิด้รีคุณมิหุมและคนท้ในุลตาลูฟรุยกษ์ชาวนาสกคอยโค อยากเชื่อหนึ่งนักก็ข้ ي เสียที่อัลลอฮฺเอาอาชัดข้อเสียอีกรอบนึงนะ อยากเชื่อหนึ่งนาศก็ข้อเสียติ๋เลยอว่าชัดَ้อเสียอ่าอีกรอบหนึ่ง ยากเชื yeah, ่นั้นนะสักข์ขอติละหีอ้ยา่าดี้ยุดตรงไหนดียาวไปไหมกรีด กิตานก็ได้งวกลูรบลิมาัตบต่าลนอลกิตาวกลูรบลิมาัตบต่าลนลกิตาวกลูรบ บานาลิมาคัตับต้าอไลน์อัลกี ن าลแล้วล ت ะอัลแล้วล่ะอัลคอร์ต ن นา ลีคอรีบอตรงนี้ยาวตรงลาอักคอร์ ตานานาก็ยาวนะอีลาก็ยาวนะครับก็จะมียาวสามตัวแล้วก็อาจารินตอนนี้เป็นมัดอ่าไม่ใช่มัดเป็นอิคฟาอา จ, าร อ, าจารอรีบอย่าลืมตัวกรอบนะนะก็ออันให้ชัดเจนให้หนานะกรอรีบออืมไม่การีบนะการีบไม่ได้กรอรีบแล้วละก َั้งแต่ไปแล้วอาจลินกอ خ َบแ ت ้วละอัครุตตาอีกอาจลินกอริบคุลมَตาอุด ดุ نية ค ني ุ้มลุ่มและอัคขราตุข ى ق รุ่นลีมะนิตตขว่คุ้มลุ่มดุ ل ีย์คุ้มลุ่มและอัคขรตุขยรุ่นมตตุมลุุมล الدنيا قليل و الآخرة خير لمن ا ت ق و ى والآخرة خير لمن ตั้งความและตั้งหลักตั้งความและ ر ั้งหลัก ตَ quo ولا تظلم ن ف ِ ي ل ا والآخرة خير ل ل م ن ت ق ى و َ ل ا تظلم ن ف ِ ي ل ا أي نما تكوني ُ د ر ك ُ م الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. و َ إ ِ ن ت ُ ص ِ ب ْ ه ُ م ْ ح َ س َ ن َ ة ٌ يَقُولُ و ل ُ هَذِهِ مِنْ عِندِ ْ اللَّهِ ว่าอ <t> ินท <t> ุศิบหุมสัยอัตุียคุลุ هذه มิ่งดิก อ, อันไหนอ้าวมันมีสองวัคคล้ายๆกันวัคแรกวอินตูซีบาหุมฮาสานะฮาสานะนี่แปลว่าความดีมินอินดิละ่ะถูกต้องแต่วัคที่สองเนี่ยไซ ย, ยะไ ย, ยะนี่ตรงกันข้ามเลยความชั่วอันนี้จะไปอ่านบินอินดิลาไม่ได้นะคนละเรื่องเลยมินอินดิดิกก็หมายถึงตัวของท่านเองแต่ตอนนี้ก็หมายความว่า อะไรที่เป็นความดีงามเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์อะไรที่เป็นความชั่วก็มาจากตัวพุท่านนั่นแหละเออคราวนี้ถ้าเราถ้าเราอ่านสลับกันคราวนี้แหละคราวนี้ไปคนละเรื่องเลยเอา่านะต้องระวังนิด น, นึง ถ, ถ้ามันขึ้นหาสะนะอินดิล่ะไซยะดิกเอ่อเอาเริ่มต้นใหม่เลยนะอินทุสีบะฮุมหาสะนะเลยนะ ว่าอินทุศิบหุมฮาซาณตุียกูลูฮาดิฮีหมินอิดิลลาฮ์ฮَซาณตุียกูลู و َ إ ِ ن تُصِبَهُمْ س َ ي ََّ ة ُ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ ع ِ د ك َ กุลกุลมินอินดิลลาอ่ามินแรกไม่หน่วงนะมินแรกเป็นอินนะครับมินอินอินนี่แหละถึงพึง่งนวลนวลตายพบดานนะครับพึ่งหน่วงตรงนี้นะส่วนกุลตรงนี้เป็นตัวกอฟอ่านให้หนานะกุลกุลและอันที่สองเป็น กูลเบาๆหน่อยกูลกูลกับกูลมันอยู่ติดกันอ่าตอนฉันอ่านที่บ้านเนี่ยโอ้โหจะวางลิ้นตรงไหนเนี่ยกอฟกับกาฟเนี่ยนะคําจริงกอฟมันต้องหนาหน่อยเนาะกอฟกับแกฟกูลกูลกูลกูลยามกันนะ กุลกุลมินอิลลากุลกุลมินอิดิลลาฟ้มาลิฮา นดีิฮอเิลกมิลายนาฮดีซะอีรอบนึงนะฟาฮะ อิกุมิลาแยกดูนยกกหูน حديث ามาลุลาอายกดูนยกกหูน حديث ม أصابك من حسنات فمن, فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك. و أرسلناك للناس رسولا لل و ك َ ف ى بالله شهيدا มาดูความหมายนะครับอัลัมตารออีแ ล, ละดีนาคีและลาหุมกุฟฟูไอดียกุมเจ้าอัลัมเจ้ามิได้ตารอตารอไปว่าเห็นนะตอนนี้ก็แปลว่าเจ้ามิได้มองดูมองดูใครบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าบรรดาผู้ที่กล่าวแก่พวกเขาว่า อายาที่เจ็ดสิบเจ็ดอ่าลัมเตะรออีละลลดีนากีละลาหมกุฟฟูไอดียกุมเจ้ามิได้มองดูบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าหมายถึงคนกลุ่มแรกเลยที่เขานั้นเน่ะอยากที่จะต่อสู้ตั้งแต่สมัยที่อยู่ที่มักกาเลวพอมาหาท่านนาบีนบีจ๋า ฉันก็พอจะไหวนะที่จะปกป้องยกมือมากันน่ฉันก็พอจะทำได้นบีบอกว่าให้อภัยพวกเขาและก็อดทนบิลานเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นมุสลิมมีซอบ้าท่านหนึ่งผมจำไม่ได้อัล ม, มารหรือเปล่ามาหาก็เถียงกับอุมายาอุมายาก็เป็นเป็นนายทาตของบิลานก็เถียงกันเถียงไปเถียงมา สุดท้ายก็เออามายเป็นเด็กไงเด็กเด็กที่ไม่ค่อยเป็นเด็กวัยรุ่นแต่มมย่านี่ยเขาเป็นคนอาุโสเถียงเถียงสู้กันสู้กันไม่ได้ก็เลยสั่งให้บีล้านเน่ะฟาดพอบีล้านเป็นทาสใช่ไหมก็สั่งให้บีล้านเนี่ยตีอะจะเปิดพัลมหรอร้อนเหรอจ๊ะอ๋อไม่เป็นไรฉันเหงื่อออกได้พี่น้องห้ามเหงื่อออกไม่เป็นไร ไม่เป็นไรอ้ยแอบไอ้เขาไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรกี่ร้อนเดือดรัวเลยบอกกีร้อนก็ตัวนี้อ่ะจะไม่รู้เปิดตรงไหนบางลองดูสิเอาต่อเลยนะกิมอุมาญาต์กระสางให้บีรันฟาดถือแส้แล้วล่ะบีรันไม่ฟาด พอบิลานไม่ฟาดก็รู้เลยบิล้านเป็นมุสลิมอุไม่เอออมไม้ก็บอกฟาดบิลานให้ฟาดบิลานไม่ฟาดรู้เลยบีลานเป็นมุสลิมคราวนี้บิล้านตอนนี้เป้าหมายไม่ใช่ใช่อามานแล้วบิล้านโดนหนักเลยก็นี่แล้วแล้วก็เต็มใจให้ฟาดด้วยนะฟาดมาเพื่อที่ไม่ให้บิล้านถูกถูกอะไรถูกทรมานเพราะรู้อยู่ว่าบิล้านนี่เป็นทาส ธาตนะีพี่น้องนะไม่มีอะไรเลยนะที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาแปลว่าเป็นเหมือนทรัพย์สินของเจ้านายเขาจะทรมานทรกรรมยังไงก็ได้แต่ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยคําว่าธาตตรงนี้เนี่ยต้องให้ให้อะไรนะให้อาหารใหออ้อาหารให้อาหารนะั่นเลยนะมีอาหารก็ต้องแบ่งปันให้เครื่องนุ่งห่มห้ามใช้งานเกินกว่ากําลังของทาตแล้วก็ทาต สามารถมุกกาติบมุกกาติบแปลว่าไปตั้งไปตั้งราคาได้สมมุติเนี่ยฉันเนี่ยเป็นทาสกี่กี่ซื้อฉันมาไม่รู้อะไรหรือว่าได้ฉันมายังไงกันแล้วแต่ไปจับมาเป็นเฉลยฉันดูแล้วฉันพอมีกําลังนะเป็นคนพอมีกําลังกี่ตั้งราคาให้ฉันหน่อยกี่บอกอ๋ออันนี้ประมาณสิบาทโอเอาสัถูกเชื่อเอาสักแสนหนึ่งแล้วกันนะเออเอาสักสิบาทดูไม่มีค่าเลยแสนหนึ่ง ตั้งราคาแสนหนึ่งเลยหลังจากนั้นฉันก็ประกาศเลยว่าฉันเนี่ยมีราคาแสนหนึ่งใครอยากจะปลดปล่อยฉันก็ออกมาจ่ายหรือเอาสกาดมาให้ก็ได้เอาสากาัดมาให้กี่ปับ๊บพอครบจํานวนหนึ่งแสนฉันก็เป็นอิสระและคนที่เป็นนายท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกฉันไม่ตั้งราคาไม่ได้เป็นวาจิบเลยเมื่อเมื่อท่านต้องการจะปลดแอกตัวเองนายท่านต้องตั้งราคาและตั้งราคาไม่ตั้งตามอําเภอใจนะมันมีราคากลางของมันอยู่ อ, อทาตแบบนี้ราคาประมาณนี้ไม่ใช่ตังแพงไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยในหลักการศาสนาของเราทาตกับฝั่งยุโรปที่เขาจับใส่ตัวมาทร ม, มานคนละเรื่องกับฝั่งเราเลยมุสลิมเราเนี่ยให้เกียดกับทาตและก็สามารถเปิดโอกาสให้ทาตเนี่ยเป็นไทยได้นะและก็มีการกระทําที่ปล่อยทาตใครที่ปล่อยทาตเนี่ยเราจะให้ทุกส่วนของเยวาวะเนี่ยพ้นจากไฟนรกบางคนบอกอาจารย์ละทวนี้ยัปล่อยทาตที่ไหนอ่ะอัลลอฮ์จะไม่ยากกัอะไรแหละตอนเช้าเนี่ยว่าสิบครั้ง ละอิลลัฮ์อิลล allah วะดะฮูละชารีกะลาห์ละฮุลมุนกูวะละฮุลฮัมดูวะฮฺวาลาคุลิเชิงกอดิดใช้เวลาสี่นาทีฉันจับเวลาเร็วสิบครั้งใช้เวลาสี่นาทีผลบุญเท่ากับปล่อยท่าสี่คนเอาไม่ล่ะ <c oughs> ง่ายไหมตกเสียตังไหมบันทึกโดยมามมุสลิมนี่ดูเล่มนี้เพิ่มบุญลดบาปอา่าเล่มนี้นี่เขาเรียกว่าทางลัดใครอยากได้ผลบุญตรงไหน ย, ยังไงนี่เล่มนี้เอาไปอ่าน นะอ่าน ส, สิบครั้งตอนเช้าทุกเช้าเลยปล่อยธาตุทุกวันวันละสีคส่คนสี่คนผลละบุญเทียบเท่ากับปล่อยธาตุมีมีมีคนซื้อเลยวมีคนซื้อแล้ว น, วนี่เออเออความดีเนี่ยมันมันอยู่รอบตัวเราแต่เราไม่รู้บางทีเราไม่รู้นะอ้าวคราวนี้ เจ้ามีได้มองดูบรรดาผู้ที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงระ ง, งับมือของพวกเจ้าไว้ก่อนเถิดวะอากีมุสซอลาตวะตุสกาและจงปฏิบัติละหมาด ถ, ถามว่าหน้าที่ของเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ให้ต่อสู้แต่อัลลอฮก็บอกให้ละหมาดไปมีความทุกข์ใจอะไรก็ละหมาดขอดูอากรุมสูยุตาอัลลอฮ ว่าอาตุสกาถ้ามีสตังก็จ่ายสกาดด้วยแต่ตอนนั้นสกาดนี่ยังไม่ได้ถูกกําหนดลงมาแบบคดีอะไรนะแบบตายตัวว่าต้องเท่านี้เท่านี้คือมีก็จ่ายมีก็ให้เพราะว่าสกาดมันถูกกาหนดตลาลหลังนี่ว่าต้องให้ประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้ตรงนี้ะกาดตรงนี้ก็แปลว่าบริจาคนะลิอ่าบริจาคฟัลลา ม, มากุติบาเลยหิมุลกีตาลู อีลาฟอรีกุมมินหุมครั้งเมื่อการสู้รบได้ถูกกําหนดขึ้น <c oughs> ย้อนกลับมาแล้วครั้งเมื่อการสู้รบได้ถูกกาหนดขึ้นมาอันนี้สมัยไหนละสมัยที่อยู่มาดีนาเลวปรากฏว่าอีลาฟารีกุมมินหุมก็มีอยู่ทันใดก็มีอยู่กลุ่มนึงเลยในหมู่พวกเขาเนี่ยเขาเป็นยัไงฮียกชาวนานา์แนนเสเขากลัวมนุษย์ กกยะักกัคชยาตินลาเชกเช่นที่กลัวออลเลยกลัวมนุษย์เหมือนกลัวออลขี้ขาตาขาวไม่กล้าไปสู้อีกแล้วพอออลใช้ใช้ให้สู้ไม่สู้ไอตอนที่ไม่ให้สู้อยากจะสู้พอถึงเวลาจริงจะสู้ไม่เอานาะยพลนิมูนาฟิกนาะหรือเอาอาชัดโดคัชยาคัชยาบางทีกลัวมนุษย์ยิ่งกว่ากลัวออลอี อาหรอประโยคนี้นี่พี่น้องนะเอามาใช้ปัจจุบันได้ยังไงอะ่ะก็เวลาเราทํางานทําอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยเก่งใจใส่ตามนุษย์ใช่ไหมอุจลมาทีอายเจ้านายว่ะเดี๋ยวเจ้านายมันว่าเราจะละมาทอายเจ้านายเอออาจจะคุมหัวอายเดี๋ยวไปสถานที่นี้เขาไฮโซกันเดี๋ยวเราคุมหัวมันเชยกลัวมนุษย์ว่าไงไม่คุมหัวเออคืออะไรที่เป็น เป็นบาปเนี่ยแล้วมนุษย์เขาเขาเห็นดีเห็นงามกันไม่กล้าออกมาพูดว่ามันไม่ดีไม่ถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงอหมเห็นไหมศาสนาเดี๋ยวทัวลงฉันไม่สนหรอกลงมาเถอะเออทำไมอ่ะเราพูดความจริงอ่ะเราพูดความจริงนะเราปกป้องนะครับศาสนาของอัลลอฮ์อยู่คือทุกวันนี้มันไม่ต้องไปจับดาบจับอะไรหรอกแค่กล้าพูดความจริงแค่นี้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วไม่ใช่เงียบอันไหนไม่ถูกก็บอกไม่ถูกนะ คนนี้พวกนี้กลัวมนุษย์เหมือนกับกลัวลอเลยหรือบางครั้งกลัวมนุษย์ยิ่งกว่าซะอีกเกงใจมนุษย์แต่ไม่กลัวลออัลลอฮ์บอกนะวะกูลรับบานาลิมากะตัฟตะพวกเขาก็ก่าวขึ้นมาว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราเหตุใดจึงกำหนดในการสู้รบของเราเนี่ยทำไมพระองค์ไม่ทำให้อะไรเราลาอัคอตตานาอีลาอาจรินกอรบเลื่อนไปก่อนได้ไหมคือไม่ใช่ว่าจะไม่สู้นะ แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมขอให้มันเลื่อนไปก่อนได้ไหมอ้างอ้างอะไรอ้างในการที่จะไปสู้ต่อมากุลมาตาอุ ด, ดุนยากอรีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกุลตรงนี้หมายถึงนบีมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าดุนยาเนี่ยมาตามาตาอุ ด, ดุนยาแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่อำนวยประโยะน์ต่างๆในโลกนี้ พี่น้องแยกได้ไหมอะไรคือเรื่องดุญญนยาไหคืออาคิเราะง่ายมากอะไรที่มันไม่ตามเราไปในโลกหน้าเนะี่ยคือดุนยาดุนยาแปลว่ามันอยู่แค่โลกนี้นะมันไม่ตามไปเช่นเราซื้อบ้านหลังนึงบ้านนี้ตามไปโลกหน้าไหมไม่ตามไม่ตามแสดงว่าใช่ล้ดุนยาบ้านนี้เป็นดุนย า, ารถคันหนึ่งไม่ตามนะพอตายก็เป็นมรดงแต่ถ้าวาก้ฟรถไฮโซราวาก้ฟที่ดินไฮโซราว่า น, นี้ดุนยาไหมไม่ใช่แล้ว อาคีราอเปลี่ยนเป็นอาคีราอลูกหลานของเราเนี่ยจะเป็นดุนยาและอาคีราอได้ไม่ใช่ดุนยาอย่างเดียวถ้าลูกของเราอยู่ในศาสนาแล้วเราสอนลูกเราเนี่ยเป็นทั้งดุนยาและอาคีราะสองโลกเลยคนเนี่ยเป็นสองโลกได้โดยการสอนศาสนาแต่ถ้าเราไม่สอนลูกเราเลยนะลูกเราเป็นแต่ดุนยาอาคีรอไม่เป็นไม่ตามไปด้วยผลบุญในการดูแลลูกไม่ได้ดังนั้นคนที่เลี้ยงลูกเนี่ยได้สองโลกได้ทั้งโลกนี้แล้วก็ลงนั่น นะเลี้งลูก ด, ด้วยอิสลาม嘛นะแต่ถ้าเป็นทรัพย์สิน่นะมันยากเพราะอะไรทรัพย์สินอนะมันอยู่มันมันจะติดอยู่แค่นี้แหละแค่ดุนยาและก็ไปอาคิรอเลยถ้าเราบริจาคก็เป็นอาคิรอนะแต่ถ้าเราใช้ทรัพย์สินไปในหนทางศาสนาและยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราด้วยไม่ใช่ว่ากัปอย่างเดียวนะเช่นบ้านของเราเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบเนี้ยบ้านของเราก็ถือว่าเป็นบ้านทั้งเป็นดุนยาแล้วก็อาคิรอ อ, อรถของเราใช้ในการส่งรับส่งคนเรียนศาสนาด้วยแล้วก็ใช้ส่วนตัวเราด้วยนะไม่ใช่ว่าไปทะเลไม่ได้เอาไปทะเลได้อย่างไปเที่ยวไปทะเลได้แต่ว่าช่วงไหนว่างเอาอาจารย์เดี๋ยวรถตัวไปวิ่งศาสนาหน่อยช่วยรถเราไปทันดุ n y าแล้วอะคีระ อ, อ, อได้ได้กำไรนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่แค่ดุ n y าพี่น้องไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ไปที่อาคีรอดังนั้นอลัลลอฮ์บอกว่ามาต่างอุดดุ n y า ความเ พ, พื่อแผลงสิ่งอานวยดวามสดวกยาเนี่ยกอลลีลุนมันน้อยรู้ไหมในอญญายาหนึ่งในสุรษฐดีเอลเราเปรียบเทียบเหมือนกับฝนที่มันตกลงมาใครเคยปลูกพืชผักเวลาฝนตกมาพืชผักมันจะเป็นอะไรมันก็จะออกดอกออกผลเขียวเฉอุ่มเราก็ดีใจใช่ไหมโอ้โหเมือขื่อมันออกแล้วพริกมันออกแล้วเราไม่ต้องเก็บนะปล่อยไวนะ้งั้นแหะสักพักหนึ่งเป็นไงเหลืองเนี่ยพอมัาเหลืองเสร็จปับ๊บ ปล่อยไว้งั้นอีกสภาพเป็นไงเน่าคาต้นแล้วก็มีของมีค่าไหมไม่มีค่าเลยเลยเนี่ยคือดุนยาเาลาเราเปรียบเทียบมันสุกแคบมันมีความสุกมีความเพื่อแผ้วแค่ช่วงประเดี๋ยวประดาวพอสุดท้ายแล้วมันก็ร่วงหล่นสุกเน่าคาต้นไปดีมากนกมากินอันนี้เปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบไมเฉยว่าเปรียบเสมือนคนหนึ่งที่เวลาทําการเกษตรเขาจะดีใจเวลาที่พืชผักมันออกแต่แน่นอนแหละใครเขาไปปล่อยให้เน่าหรอกเขาทำไง ก็ตัดไปขายดิมาทําน้ําพริกดิจะปล่อยให้เน่าทําไมอ่ะมีมะนงมะนาวก็เอามาทํามาบีบมะานาวทําน้ําพริกแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดสมมุติปล่อยให้เนา่ามันมีประโยชน์เลยแห่ะมันก็มีประโยชน์อะไรมันดีใจแค่ช่วงที่มันออกผลออกดอกอันนี้เขาเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าเกิดสมมตินกมันมากินก็ได้บุญใบหรือเอามากินอ ย, อย่าไปทำแน่ไปปล่อยให้เน่านะีปลูกมะม่วงไว้เต็มเลยทุเรียนปลู ก, ล ก, ลกอะไรนะปล่อยให้มันสุกคาต้นเนา่าคาต้นอันนั้นคนแบกแล้วอุตส่าห์เหนื่อยใช่ไหมพอมันสุกแล้วต้องไง ปาดออกมาขายจะแจกจ่ายแต่ถามว่าผลไม้เนี่ยปล่อยให้มันสุกคาต้นมันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยสุดท้ายมันก็เน่าของมันใช่ไหมมันมีอายุของมันไงพูดถึงเรื่องมันมีมันมีอายุของมันนะอ้าวต่อมาโรบอกว่ามาตาอุดดุนยากอลีนมันนิดเดียวเองมันน้อยวัลอาคิโรตูคอยรุลลิมานิตตะโกและสําหรับโลกหน้านั้นมันดีสําหรับคนที่ยำเกรง มณิตะกอผู้ดีมีความยำเกรงต่อ Allah. ลอลงหน้าเนี่ยเป็นเรื่องดีแสดงว่าถ้าคนไม่ยำเกรงลกหน้าดีไหมไม่ดีโลกหน้าในโดนหนักเลยนะอแต่สําหรับคนดีเท่านั้นแหละที่โลกหน้านั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นความดีงามแกเขาเวลาตุสลีมูนะฝาตีลาและอัลลอฮ์จะไม่ไม่อธรรมเลยจะไม่ถูกอธรรมเลยแม้กระทั่งเท่ากับเม็ดอินดาผาลำนิดเดียวอัลลอฮ์ก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อธรรมต่อความดีที่เขาได้ทําเอาไว้ เพียงแค่จะยิมเพียงแค่ยิ้มให้กับพี่น้องของเราบริจาคแค่สตังเดียวบาทเดียวก็ถือว่าอะไรก็ถือว่าเป็นความดีและอัลลอฮ์ก็จะเอามาคิดคํานวณให้ต่อมาอายะต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าไอนามะตะกูนูอัลลอฮ์บอกว่าไงณที่ใดก็ตามไอนามาตะกูนูยุดดริกูมุลเมวไม่ว่าท่านจะปรากฏตัวอยู่ที่ไหนความตายก็จะไปหาท่าน ตกลงไอ้ตกลงในความตายมันมาหาเราหรือเราไปหาความตายความตายมันมาหานะ่ะไม่ใช่ว่าเราไปหาสุดเออเราข้ามถนนแล้วรถชนตายไอเนี่ยมันไปหาเรื่องตายก็ความตายมันมาหาเราตรงนั้น <c oughs> คือจะได้ไปต้องไปไปไปไปอะไรนะไปไปว่าคนเพราะว่าคนพวกนั้นเขาว่าเลยเขาบอกเนี่ยพวกนี้ที่ไปถูกรถแล้วก็ตายเนี่ยมันไปหาเรื่องตายแท้ ถ้ามันนอนอยู่บ้านมันจะไม่ตายแล้วเนี่ยนี่มันพูดเหมือนกับว่าถ้าอยู่บนบ้านไม่ตายตายหมดกันแหละอยู่ที่ว่าความตายจะไปหาเราที่ไหนถูกปะ่ะถ้าความตายเราไปหาที่มัก ก, กะกะเสแดงนั่นแหละแต่ไปอยู่นู่นแล้วเราก็จะไปอยู่นู่นเอารถกําหนดไปอยู่ตรงนู่นแล้วก็ความตายก็มาหาเราดังนั้นความตายมาหาเราไม่ใช่เราไปหาความตายจะอยู่ที่ไหนความตายก็มาหาเอาแล้จึงบอกต่อว่าว่าเรากุนตุมฟีบูรูจิมูชัยยะดา ต่อให้ท่านเนี่ยไปอยู่บนป้อมปราการอันสูงตารงานมีระบบป้องกันอย่างดีนะเรือเนี่ยเขาป้องกันมาอย่างดีเลยทำมาจากไฟเบอร์ไประเบิดตายอยู่ใต้ถนนทะเลอืมจะปลอดภัยขนาดไหนอะแล้วแต่นะจะอยู่ในเซฟเฮาถ้าความตายมาถึงก็หนีไม่พ้นอินตุซิบะฮุมฮัสันาตุียกูลูฮาดีฮิมินเอนดิลล่ะ พวกเขาก็จะกล่าวว่าเรารู้แล้วแน่ว่าความตายเนี่ยมันมาหาเรานะมันมาหาเราเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดนะเขาเรียกเซฟโซนอยู่ในที่จริมันปลอดภยัยถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้ความตายมันมาหาเรามันมาหาเรามันทะลุมาได้นะอายัดมาคราวนี้หากและหากความดีใดๆประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็จะกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮ์อ่าพวกเนี้ยพวกมุชริกพวกอะไรนะพวกมูนาฟิก ก็จะบอกว่าโอ้เนี่ยมาจากอัลลอ์นะเละือดหาความชั่วใดๆนะมาประสบกับเขาพวกเขาก็จะกล่าวว่ามาจากเจ้าตรงนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมพวกมุชริกีนเนี่ยบอกว่านาบี ม, มุฮัมมัดเป็นลางร้ายพวกเขาเนี่ยเวลาที่บ้านเมืองเขาดีอะไรเนี่ยไม่มีฝนตกดีเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพระเจ้าให้ แต่เพราะอะไรที่มันมีอาเพศอาภัยลงมามีสิ่งไม่ดีมาเขาบอกเนี่ยพราะไอคนนี้แหละมันอยู่เพราะมันอยู่เสร็จเนี่ยทําให้เกิดแบบนี้อาเพศอาภายัยเพราะนั้นโทษนบีเลยแอนซึ่งเพราะว่าเขาเกียดนบีใช่ไหมเขาก็โทษนบีละ ว, ว่าเนี่ยที่เมืองมาดีนาะอ่าก็ตีที่เมืองมะกาเจอแบบเนี้ยเพราะมีมูฮัมหมัดอยู่นะอันนี้ในตัฟซีนุกัซีดนะได้อธิบายเอาไว้เนี่ยมุนาฟิกถือว่าท่านนาบีเป็นล้างไม่ดี อโทษน บ, บีหมดเลยฝนไม่ตกมั่งอะไรมั่งโทษไปที่น บ, บีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยจะแห้งแล้งจะฝนตกจะเนียมัดหรือความทุกข์ระทมต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดอา้าวอาจารย์แล้วไม่ดีทําไมอัลลอฮ์กำหนดให้เราล่ะไม่ดีหมายถึงว่าพวกอากาศร้อนภัยพิบัติน้ําท่วมทำไมอัลลอฮ์กำหนดให้เราล่ะ อ่าในไม่ดีมีดีอยู่ฉันบอกไปแล้วก็เพื่อจะให้รู้ว่าบาของพระองค์เนี่ยใครอดทนมากกว่ากันเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราอดทนปเปล่ า, าฟรีอัลลอฮ์ให้รางวัลมาด้วยสําหรับคนที่อดทนเห็นไหมมีเหตุใดเกิดขึ้นกับกลุ่มชนเหล่านี้กันนั้นหรือที่พวกเขานั้นห่างไกลจากคําพูดที่จะเข้าที่พวกเขาห่างไกลที่จะเข้าใจคําพูดอ่าอันนี้ก็ปิดวักเลยนะที่บอกว่า และยากูดูในยัฟกอหูนะฮาดีสาซึ่งคำพูดพวกนี้ไม่ถูกนะอะไม่ถูกอยู่แล้วต่อมาอีกอายะหนึ่งอันนี้เป็นหลักอะกีด้าที่สำคัญอัลลอฮ์บอกว่ามาอัซอบกะมินฮัสนตินฟมินัลลอความดีใดๆที่บรรพบุกับเจ้านั้นมาจากอัลลอฮ์ บางคนก็นไม่เข้าใจก็ฉันเป็นคนทําดีนี่แล้วมาจาก Allah อัลลอฮ์ยังไงก็อัลลอฮ์กำหนดไงให้เราทําความดีคือถ้าคนเราเนี่ยทำความดีกับพ่อแม่โดยที่ไม่มีเนียดนะก็จะไม่ได้ผลบุญจากความดีที่อัลลอฮ์กำหนดให้อย่างสมมติคนค น, คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาทำดีกับพ่อแม่เนี่ยโอ้ยเขาซื้อของไปให้พาพ่อแม่ไปหาหมออัลลอฮ์ให้ผลบุญเขาไหมไม่ได้ให้ แต่ได้แต่ดุลยางไงโลกหน้าเขาไม่ได้ความบุญเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพราะ All. เขาล้เขาทำเพราะว่าเขาเป็นคนรักพ่อแม่เขาแต่ของเราเนี่ยมันทูอินวันแปลว่าทุกครั้งที่เราทำดีกับยออ ก, กับมะเนี่ยเรานึกถึงใครด้วยคำสั่งขอล้อด้วยแล้วก็ในความเราสองดิงเรานึกถึงคำสั่งขอล้อพ่อล้อใช้เราทาดีกับย่อ ก, กับมะอันที่สองมะป่านั้นมีบุญคุณกับเรา เราก็ต้องกตัญญูรู้คุณท่านก็แค่ก็นี่แหละแต่เราเนี่ยส อ, ส, อสองอย่างเพราะว่าเราปฏิบัติตามคําสั่งของอลอร์ด้วยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำความดีเนี่ยเอาลอ์ Allah เป็นผู้ชี้แนะเราทั้งหมดเลยเอาลอ์เป็นคนบอกเราทั้งหมดเลยที่เราละมากันทุกวันนี้ได้เป็นเนี่ยก็ลอร์ส่งนบีมามาสอนที่เรามีจริยธรรมคุณธรรมไม่ไปกินเหล้าเมายาก็เพราะศาสะนาเป็น อัลลอฮ์ส่งนบีมาส่งคําหลักคำคำสอน ม, มาให้เราปฏิบัตินั้นทุกอย่างเป็นความดีนะมาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากตัวเรามาจากอัลลอฮ์เพราะเราเนี่ยเป็นคนปฏิบัติตามคําสั่งศาสนาต่อมาและความชั่วใดๆวะมาอัซอเบะกามินไซ ย, ยาตินฟอมินันฟอมินนับซิกอะไรที่เป็นความชั่วเนี่ยอย่าไปโทษอัลลอฮ์นะมาจากใครมาจากตัวของท่านนั่นแหละเพราะมันมีสมัยหนึ่ง ในสมัยของท่านอุอมัดบินคอตอบโรดิยาลอฮูอันฮูเมาแอเลยพี่น้องเมาพอเมาเสร็จปั๊บจับได้เพราะว่ามีกินละมุดเขาได้กินละมุดกินกลิ่นสุราเขาก็จับมาพอจับมาเสร็จอุมัดก็ถามว่าถูกบังคับหรือเปล่าพอถูกบังคับก็ไม่โดนใช่ไหมหรือรู้ไหมที่กินเนี่ยมันเป็นสุรารู้ครับเอาทำไมกินล่ะอัลลอฮ์กำหน ด, ดให้ฉันกินเหล้ามันว่ า, างั้น แน่อัลลอฮ์กำหนดที่ฉันกินเหล้ามันโทษอัลลอฮ์เลยอ่าโดนเท่าไหร่นะสี่สิบอ่าเพิ่มไปอีสี่สิบเป็นแปดสิบขอหาทําชั่วแล้วยังโทษอัลลอฮ์โดนเบิ้ลเข้าไปเลยเบิ้ลในพวกนี้ต้องเบิ้ลทําชั่วไม่ยอมรับด้านไปโทษคนอื่นอ่าไปโทษคนนู่นโทษนี่โทษอัลลอฮ์เลยนี่หนักเลยโทษอัลลอฮ์บออัลลอฮ์กำหนดให้ฉันทำชั่วซึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายการกําหนดของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดตามที่เราเลือกเดี๋ยวไหมล่ะ อ่าเราเลือกได้เราเลือกได้บางอย่างเนี่ยเป็นกําหนดเที่ยวเที่ยวเราบอกเลือกไม่ได้เช่นยออมาเราเนี่ยเลือกไม่ได้ฉันอยากจะมาเป็นลูกชายบีก็เป็นไม่ได้อยากเป็นลูกชายบีนะแต่เป็นไม่ได้นะเอาเรากําหนดมาเป็นเออเอออยากเอออ่าอยากเป็นลูกเป็นฮัตยาด้วยเป็นลูกชายฮัตยาก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมอ่าเอาเรากําหนดมาฉันเป็นลูกมะกับป๋าฉันนะแต่บางอย่างเลือกได้คู่ครองนี่เลือกได้ไหม ใครบอกเลือกไม่ได้เลือกได้ดิเออไม่เลือกไม่ได้เลือกได้นั้นเลือกแล้วเนี่ยทํามันดีเนี่ยมาจ้าอัลลอฮ์ทำมันไม่ดีก็ต้องมาหน้าทบทวนกันว่าเฮ้กยกูใช้อะไรเลือกวเนี่ยใช้สูตรไหนเลือกอ่คือทุกอย่างเนี่ยที่ที่เราเลือกได้เนี่ยอย่าโทษอัลลอฮ์นะแต่ยังบางอย่างที่เลือกไม่ได้เนี่ยอันนี้อัลลอฮ์กำหนดมาเช่นเพศเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอันนี้เขากำหนดมาแล้วลูกในท้องถูกกําหนดมาแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย เอาทำนุรินละจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่เวลาจะเรียนหนังสือจะทํามาหากินอะไรจะน่นจะนี่เลือกได้เอาะราให้มีนี่มีสมองมานี่ทำอย่างกะเป็นสีเท้าไม่มีสมองเลือกไม่ได้ไอ้นั้นไอ้เรื่องไม่ ไ, มไมด้ไอ้สีเท้าเนี่ยเขาใช้สัญชาติญาณขอโทษทีนะใช้สัญชาติญาณแต่เรานี่มีนี่เราก็ต้องเลือกได้นนี้มันดีไมด่ดีเหมือนกันเน่ะฉันบอกว่ารู้ทั้งรู้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นหลุมขับรถลุยหลุมมาเลยปังๆังปงโชคพัง นี่ไงมันพังเพราะอะไรเพราะรถโทษรถโทษอะไรก็ถ้าเราไปคนเลือกไปทางนั้นไม่โลภไปอีทางหนึ่งแต่ถ้าเราไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าทาไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเนี่ยแต่มาแต่นี่รู้แต่ก็ยังเลือกทํานั้นโทษใครไม่ได้เลยโทษตัวเองอ้าวต่อมาแล้วอัลลอฮ์บอกต่อว่าอารสัสนากาลินนาซีรอซูลเฮที่ต้องโทษตัวเองเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ส่งใครทรงนบีมาแล้ว เออทําเหมือนก็ไม่มีนบีอ่ะมีนบีมาบอกหมดแล้วมีซุนหนมาให้กํากับหมดแล้วแล้วจะไปโทษใครล่ะเออก็มีแบยียบยางมาหมดแล้วทรงกระซูนมาแล้วเนี่ยอลัลลอฮ์พูดเลยนะว่าอาลัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้ววกกาฟาวกกาฟาบินละฮิชาฮิดาและเพียงพอแล้วที่อลัลลอฮ์จะเป็นพยานยืนยันในเรื่องนี้อลัลลอฮ์เป็นพยานยืนยันในเรื่องนี้แล้วทุกครั้งพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนาบีของเราเนี่ย เวลาสอนศาสนาเนี่ยน บ, บีบอกว่าพู้ท่านเป็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์มัชฮัดอัลอลลอฮ์เป็นพยายนพออัลลอฮ์เป็นพยายนและให้พู้ท่านเป็นพยายนด้วยว่าฉันเนี่ยทําหน้าที่สอนหรื อ, อยังสอนแล้วนะเหมือนกับวันนี้แหละถ้าเราสอนลูกเราสอนแลว้วลูกมันยังดื้ออีกก็นั่นแหละตามนั้นเลยนะพอเราสอนเต็มที่แล้วเราทําตามหน้าที่แล้วลูกมันจะดื้อก็มันเป็นเรื่องของเขาต้องรับผิดชอบแล้วพ่อแม่ก็หลุดพ้นไปแล้วแต่ก็นาทีพ่อแม่ก็ต้องคอยสอนอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะ ไม่เรากับมันน่ะแหละใครตายไปฝั่งนึงก็สอนกันไปเรื่อยๆอย่าไปตัดนะตัดหางปล่อยสุราเอเมลนะปล่อยวัดใช่ไหมเราปล่อยสุราเอออ่ะดังนั้นพี่น้องครับตรงนี้เป็นหลักอากีดาของเราเลยนะว่าใครที่ทําความชั่วโทษอัลลอฮ์ไม่ได้นะอัลลอฮ์กาหนดจริงแต่กําหนดบนการเลือกของเราอยู่แล้วว่าเราเลือกเราสามารถที่จะเลือกความดีความชั่วในการในการกระทําได้แล้วเราก็กําหนดตามที่เราเลือกนั่นแหละนะครับเอาต่อมา มันมีอันนึงจงกล่าวถึงหมดทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์นะหมายถึงทั้งหมดในการกําหนดของอัลลอฮ์ครอบคุมไปถึงความดีความชั่วผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์กาหนดมาหมดแล้วนะครับนะแต่หน้าที่ของเราก็คือให้ความรู้ศาสนานะสอนส่วนจะรับไม่รับก็อีกเรื่องหนึง่งนะอ่ะต่อมาครับ ในอายะ์ที่8ป8 1ิบแปดิอไม่ตีรุรัสูละ فقد أطاع الله و َามันَว ا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا و َยَ قول ن ط ا ع ٌ فإذا برز من عندك ب ي ت َ طائفة วَยَ قول ن ط ا ع ٌ فإذا برز من عند มิ่งได้กบัยะทัลทอีฟตุมมิ่งَุมไกรอัลที่ตะคุลมิ่งไดَ้บَยะทัَทอ والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله ว่กฟาบิลลาฮิวกคีลาว่าฟลลฮิวีลาอ่ะมาดูความหมายอายะที่แปดสิบนะครับเอ่อผมไปคุณตาบาร์ที่มาสิีชเชลฟีมาเรียมเนี่ย <propose. S 1> ก็เห็นอายะเนี่ยเขาแปลไว้ตรงข้างหน้าเออก็มิมบัตเลยข้างหน้ามิมบัต ไม่ย ah. ุติยิ้รอซูละฟะกดะอัตอัลลอนะซึ่งก็เป็นเป็นอายะที่ให้ความหมายว่าผู้ใ ด, ดที่เชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วใครที่เชื่อฟังรอซูลเท่ากับเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วแปลว่าศา ส, สนาของเราเนี่ยจะต้องรักษาแบบฉบับหรือซุนนะของท่านนาบีเพราะการรักษาซุนนะนบีเท่ากับเป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์นั้น คำว่าสุนนะนั้นมีไว้ให้ปฏิบัติไม่ใช่มีไว้ให้ให้อะไรให้สบ ป, ประมาทว่าดูถูกไม่ได้อ่า YEAH, เพราะว่าอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าใครปฏิบัติตามนบีมันอมันยูุติเองรอซูละแล้วก็ไดเอาต่ออัลลอฮ์ใครที่เชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาได้เช<ม>ื่อฟังอัลลอฮ์แล้วนะนั้นเป็นไปนไม่ได้ถ้าคนเชือ่อเชื่อฟังเชื่อจะบอกจะเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่ว่าอ๋อรอซูลฉันไม่เชื่อไม่ได้ เพราะอันนี้ก็คืออยู่ในขนทางในการเชื่อฟังอัลลอฮ์คือการเชื่อฟังรอซูลนะครับว่ามันแต่วัลลฟามาอร์เนนาการเลยหิมฮาฟีร์และผู้ใดที่ผิดหลังให้เราก็หาได้ส่งก็หาได้ส่งเจ้าเป็นผู้คุมผู้คุ้มครองพวกเขาไม่งงไหมตรงนี้แปลว่าเมื่อนาะบีสอนแลว้วนะ ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านนาบีเนี่ยจะถ้าเกิดพวกนี้ไม่เชื่อฟังท่านนาบีจะต้องรับรับโทษไปด้วยเพราะว่าได้ทาหน้าที่ในการสอนแล้วนะมันก็จะเหมือนกับระบบทหารเมื่อเหมือนลูกน้องถ้าลุกน้องเนี่ยอยู่ออกนอรูนอกทางเจ้านายต้องต้องรับไปด้วยใช่ไหมไอันนี้คือระบบทหารเนี่ยเขาก็จะลงโทษแบบนี้ แต่ถ้าในความเป็นในความในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ทําผิดคนนั้นก็ตรับรับโทษไปส่วนคนที่ทําหน้าที่เขาทําหน้าที่อย่างดีอยูอย่แล้วหมดเวลาของเขาแล้วในการในการทำหน้าที่ในการสอนแล้วแต่ปรากฏว่าคนมันหันหลังให้ไปแล้วไปทําอย่างอื่นทําตรงข้ามกับคําสั่งไอ้น่นอนว่าก็ไม่มีส่วน ใ, นใดๆที่จะต้องไปรับผิดชอบพวกนี้นะเพราะท่านอบีก็เป็นห่วงกันนะเป็นห่วงทุกคนที่ท่านสอนเหมือนกับเรานี่แหละเหมือนฉันนั่นแหละ เวลาสอนลูกศิษย์ก็อยากให้ลูกศิษย์ได้ดีทุกคนนะแต่ถ้าเกิดมีลูกศิษย์มันนอกลูก่นอกทางไปเราจะทำยังไงเราต้องไปรับด้วยเหรอก็เราสอนแล่าบอกไปแล้วใช่ไหมดังนั้นตรงนี้นนมีห a d i s บทหนึ่งจากอบูฮาติมได้ไยางานมาจากบวยรอบอกว่ามันอัตออานีฝากก็ดาอัตออลลอฮ์พูดด้ใดที่เชื่อฟังฉันนบีบอกนะผููใจที่เชื่อฟังฉันความจริงเขาได้เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วว่ามันอัลซอนีฝากก็ดาอัซอลลอและแน่ใดและแน่นอนผูดด้ใดที่ฝ่าฝืนต่อฉันก็คือฝ่าฝืนต่อนบี ความจริงเขาได้ฝ่าฝืนต่อรอดแล้วว่ามันเอาตออามีรอฟาก็ด้อาตออันีใครที่เชื่อฟังเจ้าเมืองก็เท่ากับเชื่อฟังฉันอันนี้ให้คําสั่งให้ตามผู้นําซึ่งตามผู้นํามาบอกไปแล้วถ้าสั่งให้โดดไฟแบบนี้ไม่ได้นะหมายถึงผู้นําที่ปฏิบัติตามเอาลอดแล้วสูลว่ามันอาตออามีรอฟาก็ดอาซอนีใครที่ฝ่าฝืนผู้นําเท่ากับฝ่าฝืนท่านอบีนะ อธิบายความไร้สาระของพวกมูนาฟิกว่ายกูลูนะตออัตุนไฟดะบาราจูมินเอนดิกะใบยะตะตออิฟะมินฮุมยรรอลลยดีตะกูลพวกมูนาฟิกเขาบอก่งนี้และพวกเขากล่าวว่าเชื่อฟังแต่พวกเขาออกไปจากเจ้าแลวตออะเขาจะบอกเขาตออะเขาเชื่อฟัง วูนาฟิกนะฟาอิซาบาร์รูมินเอนเวลาที่เขาออกไปจากที่ประชุมหรือออกไปจากนาบีไปละไปอยู่กับพวกเขาเองเนี่ยไบเยตุนตอิฟตุนมินหุ่มรอยรอนและดีตะกูลกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็จะวางแผนในตอนกลางคืนอื่นจากสิ่งที่เจ้ากล่าวก็ไปจับกลุ่มกันนะวางแผน การต่างๆที่จะคอยขัดขวางอิสลามแต่อยู่ตอนหน้าก็โอ้ยจ้าดีจ้าอ่าพวกนี้เขาเรียกพวกหน้าไหวหลังหลอก <c oughs> ใช่ไหมละ่ะก <c oughs> ็อยู่ตอนหน้าเนี่ยโอ้โหขอโทษทีเจ็บจะหอมอแก้มชนกันนพออยูอ่ที่นึง เ, เสียบไม่ยั้งเลยแทงนะอันนี้เขาเรียก หน้าก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งพอตกกลางคืนพอเข้าบ้านเท่านั้นแหละโอ้โหใส่เละนะนี่อย่าให้มีลักษณะของมุสลิมเรนะาเนาะอ่ชื่นชมต่อหน้าทำดีตอนหน้าพอรับหลังก็คอยใส่ไฟยุโยงปุกปันนะมีไหมนะมีมหแปลว่าอะไรพวกยุแยงแต่แข่งลั่วพวกนี้จะเอาเล่าบอกเลยนะไม่ได้เข้าสวรรค์ยุ่้คนทะเลาะกันยุ่้คนแตกแยกกันเอาของไม่ดีคนหนึ่งไปบ่อยคนหนึงเอาของไม่ดีคนไปบ่อยคนหนึ่งอ่า สังคมถ้ามีใครอยู่แบบนี้หรือกลุ่มยมมาใครมีคนแบบนี้ต้องต้องให้ให้หมดไปเพราะว่าแตกลินะยุยงแต่แขงรั่วพวกนี้พูดให้คนทะเลาะกันไม่จะยียบหยคนดีกันศา ส, สนาสอนให้พูดใหยคนดีกันเออวันก่อนมีคนมาถามฉันบอกอาจารยา์ฝากสลามเนี่ยเคยได้ยินเขาฝากขอมาอัปด้วยมีด้วยหรอฝากสลามและฝากขอมาอัป เขาก็ถามมาว่าไอ้ฝากสลามนะเคยได้ยินแล้วฝากขอมาอัมันมีป้าเนี่ยในหลักการศาสนาของเราเออเราก็บอกว่านี่ความจริงเนี่ยด้วยตัวด้วยกับด้วยกับหลักการเนี่ยใครทำผิดใครก็ขอมาอัด้วยกับตัวคนนั้นแต่ถ้าบางครัง้งสมมุติสมัยก่อนมันมีนะสมัยก่อนนะทะเลาะกันเพื่อนบ้าน ปรากฏว่าทะเลาะกันวันนั้นและสำนึกผิดตอนกลางคืนแล้วเช้าตู่ต้องออกเดินทางเขาก็ไม่รู้จะไปขอมาอัพยังไงเพราะว่าไอของไอไอบ้านนี้เขาก็ออกไปเหมือนกันแต่เขาก็ไม่อยู่เขาก็เลยเขียนจดหมายขอมาอัพเอาไว้แล้วฝากอ่าฝากอีคนหนึ่งอ่าพอไอ น, นี่มันก็ยังกุ่นอยู่เมื่อคืนไงเมียอายุด้วย มาถึงก็ใส่ดาไอ้บ้านนี้เลยแล้วไม่ได้ดาคนเดียวด่าทั้งบ้านดาลูกดาเมียเขาด้วยเวลาโกรธใครเขาเด็กโกรธทั้งหมู่กิมเมาเอ่อเมายกกะบิมีปัญหาแค่คนเดียวเนี่ยมันสอนให้ลูกหลานเกลียดไปหมดเลยเนี่ยพวกเรามีเป็นบางทีมีนะมีปัญหากันสองคน๋ย่ไปไปไปใส่หัวให้ลูกหลานเนี่ยเกียดไปด้วยทั้งๆที้มีปัญหากันคู่นั่นแมีกนไหนกคือว่าลูกเลี้ยงลูกหลานเขาเกลียดอะไรด้วยอ่ะต้องไปเกลียดกันหมดเลยเหร เออมันเป็นแบบนี้เสร็จไอคนรับฝากก็ลืมที่จะไปให้โอ้ยเขาก็ว่าไปแล้วไอ้นี้ก็โดนดา่าถูชาเลยภรรยาคนเนี้ยในสมัยก่อนนะเรื่องสมัยชาวสลับเขาสุดท้ายเขาบอกว่าสาวว่าบางนะฝากอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเออแต่ว่าไม่ได้ฝากกับฉันนะ่ะฝากกับบางคนเนี้ยลองไปหาเขาดู อันนี้ก็ยังมาหยุดด่าจนกว่าจะพอใจ <c oughs> ด่าจนเหนื่อยพอ <c oughs> ด่าจนเหนื่อยเสร็จปับ๊บก็ไปแล้วก็นึกคําได้ว่าเออเขาบอกชื่อมาคนหนึ่งก็เลยไปหาไปหาไอ้ น, นี่ออก็ออกเพิ่งออกมาจบสาวเขาไปไปละหมาดซูบโบแล้วกว่าจะออกมาก็านั่งวีริศไงวันนั้นเนะ่ยความจริงน่าจะไปให้เขาก่อนก็ไปนั่งวีริศนานละหมาดดวงดวฮาเสร็จเออลืมลืมื ม, มเออนี่เขาฝากจนไม้ไว้ให้เขาเขียนขอมาอัพสาระเออหมดเลยงานเข้า ด่าเข้าไปหมดแล้ววาไปหน่อยเออคราวนี้ก็ต้องขอมาอคืนกันอีกเล้นนานกว่าจะมาอีกเออนั่นบางทีเนะี่ยดีเลยหน่อยนะเวลาจะด่าใครเนี่ยดีเลยหน่อยเออไต่ตองให้ดีก่อนมันใช่หรือเปล่าเขาขอมาอแล้วก็ได้นั่นฉันก็บอกว่าสาเหตุที่เ ข, ขอฝากมาอเนี่ยหนึ่งเป็นไม่ได้สองอย่างหนึ่งความจริงเขาไม่ได้ฝากหรอกแต่อันี้เนี่ยมันอยากจะให้ดีกันไงมันก็เลยพูดไปไงอิสล่าไบนาฮุม เออเขาฝากสลามมาเขาขอมาอับด้วยอันนี้โกหกได้ไหมได้เนี่ยโกหกได้แต่เราไม่ได้บอกเขาโกหกนะเขาอาจจะเรื่องจริงก็ได้แต่เป็นไม่ได้เขาอาจจะโกหกก็ได้เฮ้ยเขาฝากสลามมึงมาขอมาอับมึงด้วยโหวันนั้นมันร้องไห้ซะอันนี้เกินไปยังไมนขนาดนั้น <c oughs> เออเขาฝากขอมาอัพโหมันเสียใจนะวันนั้นที่มันพูดจามไม่ดีอ่ะโกหกให้ดีกันรอ่ะ <c oughs> ได้บุญ น, นูบุญเน่ยพออีกคนนึ่งก็ไปเดินบอกเออวันนั้นมัน ฉันไม่เจอมันแล้วนั่นไมนมารีตังใจรอกที่มันจะว่าเน่ะโอ้โหมันขอมาอัพด้วยนั่นแหละมันโมมันเสียใจมากเลยพอเจอหน้ากันไม่ต้องเกิดไม่นั่งเงนหลบๆกันแล้วเจอกันโผสลามก่อนกันเลยจริงๆมันได้ขอมาอัพกันเลยอ่าพอมีคนไปไปไก่เกียร์โกหกให้ให้ดีกันอ่าอันที่หนึ่งอาจเป็นแบบนี้ก็ได้ฝากมาอัพมาเนี่ยอันที่สองเขาอาจจะติดธุระจริงๆไม่เจอแล้วไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเลยก็เลยฝากไปอีกทีหนึ่งก็ให้อภัยกัน คือฝากได้นะแต่ว่าหมายของว like, right? like, ่าถ like, ้ามันถ้าตัวเองไม่มีไม่มีสามารถติดต่อได้เนี่ยก็ฝากกันไปอ่าฝากขอมาอัพด้วยนะอะไรอย่เงี้ยแต่ที่ดีที่สุดก็คือขอด้วยตัวเองอยู่แล้วอแต่บางคนบางทีอย่างที่บอกแหละสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีไลน์มีอะไรติดต่อง่ายสมัยก่อนไม่มีก็ต้องอาศัยเขียนจดหมายอย่างที่ฉันบอกเนี่ยเขียนจดหมายเอาไว้นะสุดท้ายไปด่าเขาหมดเลยนะเขาขอมาอัพไปหมดแล้วนะก็ ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าอาตรงนี้เนี่ยม า, มาเรื่องนี้ได้งไงก็งงนะอ่าก็ก็ให้ขอว่าคนถามมาก็ก็ดีเขาก็ถามมาเราก็ให้ไค่อยความรู้ไปนะแต่ดังนั้นเนี่ยเข า, าอาจจะโกหกให้ดีกันหรือไม่ก็ฝากขอมาบจริงๆแล้วเขาไม่มีไม่มีเวลาที่จะมาหาเราหรือมีธุระก็ว่ากันไปเราก็ขอให้อภยัยเข้าไปนะโกรธกันไม่ดีหรอกนะขณะนี้ต่อมาพวกนี้เนี่ยเยากูรู ต่อพวกเขาเนี่ยเวลาอ๋อนาวายหลังหลอกใช่ไหมอ่าพวกเขาเนี่ยเวลาอยู่ตอนหน้านาบีก็จะบอกว่าต่ออะเชื่อฟังแต่พอเวลาเขาออกไปจากเจ้าแล้วพวกเขาก็จะวางแผนในตอนกลางคืนเละไกรรดนละดีตะกูลพูดคนละอย่างกับที่ที่บอกกันอบบีเลยวะลอห์ยักตูบุมาอยู่ใยีตูนและอัลลอฮ์ทรงบันทึก สิ่งที่พวกเขาวางแผนกันในเวลาตอนกลางคืนหมดแล้วอย่าอย่าคิดว่าอัลลอ์ไม่รู้นะอัลลอ์รู้หมดแหละแผนการของพวกนี้ฟาริ์อันหุมวตวักรันอัลลอฮจงหันหีออกจากพวกเขาเสียและจงมอบหมายแต่อัลลอฮ์เถิดและเพียงพอแล้วที่อัลลอ์นั้นเป็นผู้ได้รับการมอบหมายคราวนี้มันมีอันหนึ่ง ที่เร า, าบอกหันเหตรงนี้คือให้อภัยเก็บพวกเขาและอดทนต่อพวกเขาอย่าได้เอาเรื่องกับพวกเขาและอย่าได้เปิดเผยเรื่องของพวกเขาให้ผู้อื่นทราบด้วยงงไหมเอาทําไมอ่ะมันน่าจะบอกได้เนอะคือสมัยก่อนนะพี่น้องมูนาฟิกที่อยู่ในเมืองมาดีนาเนี่ยนบีรู้หมดเลยนะใครและนบีก็เขียนรายชื่อไว้ในกในขอในคอในงในอะไรแต่คนอื่นเน่ยไม่รู้นบีน่ยรู้ พอเขียนเสร็จปับ๊บนบีก็เอาลายชื่อเนี่ยไปฝากไว้กับซอบาท่านหนึ่งชื่อว่าฮูไซฟาบินบินอียนฮูไซฟาบินเยมานขอโทษดิฮูไซฟาบินเยมานรอยย้อล่องวันคูมาฮูไซฟาเนี่ยฉายาของเขาก็คือนักเก็บขําเก็บเก็บงำความลับเป็นบุคคลที่เวลาที่ฝากอะไรที่เป็นความลับเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะปริปากออกมานบีเลือกคนนี้ อ่าคราวนี้ภาระหนักก็อยู่ที่อู๋ใจฟ้าแล้วทําไมอ่ะเพราะเหล่าซอบา้นานนบีเวลาทําอะไรรู้สึกไม่ดีก็จะมาถามอุ๋ใจฟ้าใจฟ้ามีชื่อฉันไหมอ่ะ <c ười> คอยมาถามว่ามีชื่อฉันไหมถามไอมพ่อมุนาฟิกมันมาถามไหมคิดว่ามันจะมาถามไหมไม่ถามหรอกแต่คนดีๆต่างหากที่เขาจะคอยมาถามว่าฉันเนี่ยมีลักษณะเป็นเป็นมุนาฟิกไหมเออ แล้วคนที่มานะ่ใครรู้ไหมท่านอุมัดบินคอตอบรอดียลลาลอหวอันฮูท่านอูไยฟาบอกเอาลออย่างท่านนะจะเป็นมูนาฟิกไม่ต้องห่วงเลยหลังจากนั้นอลัลก็ลงออ า, าก็บอกฮัดิษถึงสิบคนที่ได้เข้าสวรรค์นะคือคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะคอยตรวจสอบอุวบุก็เคยใครอะที่มากับอะไรเสริมํจไม่ได้ละสองคน เข้ามากันสองคนแล้วก็พากันไปหานบีถามว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกไหมเหตุที่อิสลามไม่เปิดเผยเนี self self. ่ยเพื่อที่จะให้พวกเนี้ยเผยธาตุแท้ออกมาเพราะคนที่เป็นซ่อนเล้นเนี่ยมันมีอุบายในการที่จะหลอกล่อคนอยู่แล้วคนที่มันทำอ่ะมันต้องวางแผนใช่ไหมที่จะปิดงำความลับเอาล่อรู้นับีรู้แต่คนอื่นรู้ไหมไม่รู้ก็ตัดสินเฉพาะสิ่งที่ภายนอก เขามาละหมาดซูโบกับกนบีตลอดเลยอับดุลลาบินอูบายมินซารุนไอ้นี่ละหมาดซูโบกับกนบีทุกคืนเลยนะไอ้ทุกเช้าเลยแล้วจะใครมาบอกไอ้นี่เป็นมุนาฟิกมันซ่อนความกูฟดไว้มางีเร า, เร า, เ, ราเราจะเราจะอาอยัางไงอะ่ะเออเราจะชื่อแต่เราจะเห็นภาพที่เข า, าละหมาดซูบโบแต่จริงแล้วมันนคอยวางแผนที่จะขัดขวางสลามเกียดนบีเฮ้ยแล้วมันเกียดนบียังไง ล, ละมันมาละหมาดซูโบกับกะกะนบีตลอดเลยเจอหน้ามันก็ยิ้มทําดีพูดจา แล้วถามว่าใครจะเชื่อล่ะได้ไหมอันนี้หมายถึงซอบ้านี่เชื่อนบีอยู่แล้วแต่ข่าวถ้ามันแพร่สะพัดไปเขาเนี่ยเขาถึงบอกว่าทําไมนบีไม่ประหารพวกนี้ให้หมดเลยจับประหารให้หมดเลยสามรอกว่าคนวันนั้นตัดคอให้เกลี้ยงเลยแล้วถ้าข่าวมันแพร่สะพัดไปบอวันดูสิอัสฮาบุรอซูลิลอลฮิสซาลาฮฺฮวาเนยเวซัล ล, ลัาาลลมบันดาอัคราสาวกนบีไปละหมากรนบีแท้ๆนบีจับตัดคอเละไหมเสียหายหมดเลยอะไรเนี่ยคนเนี่ยละหมากรนบีนะ คนนี้อยู่กับ น, นบีนั้นนบีจับตัดคอได้ไงอ่ะมันเสียหายมากกว่านั้นตรงเนี้เป็นการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมาไว้ไม่ให้เสียหายรู้ถ้า ร, รู้ไม่ว่ามันทําไม่ดีรู้แต่รอเวลาให้มันแสดงออกมาเองอ่าทำไมบางครั้งเนี่ยถึงไม่จัดการเลยเ่างเช่นเคยเล่าว่าทํำไมไม่เลือ้อยโดมเขียวออกเนี่ยเลื้อไงอ่ะเลื้อยกับเดบร้อยดิโดนเล่นงานหมดดมเขียวที่ทํากุบบ้าคุมกูมมโบนบีดมเขียวเนะี่ยคุมกูมโบนบี ไอุ้โดมขาวเนี่ยเป็นที่ยืนของเมียรอบไอ้โดมเขียวเนี่ยคือคุมโดมนา บ, บีที่มาดิน่านะอย่าใครไปลื้อนะไม่ไปลือ้อแต่พูดถึงว่าคําสั่งนา บ, บีเขาห้ามอยู่แล้วห้ามทําอาคารทําอะไรแต่นั้นทําไว้สมัยตุรกีนั่นนั้นการที่มันเป็นฟิตรนาที่ร้ายแรงมากกว่าก็บางครั้งก็ อ, งอาจจะต้องสูญเสียบางอย่างมีครั้งในวินาทีมียาฉันเคยเล่าไปแล้วกําลังนั่งเมากันเต็มที่เลยเมาหัวราน้ําเลย แล้วก็นอนเขาเรียงเมาแบบสิ้นสภาพอะ่ะไม่เอเริเกเรแล้วเมาได้เต็มที่กลุ่มเต็มที่อิมูไตมิยะเดินผ่านแล้วก็ปล่อยไปเดินผ่านไปคนที่เป็นลูกศิษย์ก็ถามว่าโอ้โหท่านเนี่ยเป็นคนที่อิงการเป็นคนที่ปฏิเสธความชั่วต่อสู้ความชั่วแล้วทําไมเห็นความชั่วดัน ไ, ไม่เตือนไม่สอนไม่บอก ม, มันล่ะก็ถามว่านาซีฮัทคนเมาเนี่ยนาซีฮัทยังไง มันไม่แทงเราเหรอคนเมาเนี่มาสอนรู้เรื่องไหมถามก่อนอันต่อมาถ้าโวยวายมันเอ้ยมึงมึงไอพกนี้ก็หนีไปพอมันหนีไปเสร็จมันก็ไปขับรถแต่มันมันขับรถยังไงสมัยไม่มีขับรถขี่อูดมันก็คีอูดชนบ้านคนอื่นเขาให้มันเมานอนตรงนี้แหละเดี๋ยวมันสามกันกลับบ้านแต่ถ้าเกิดมันกระจายเมื่อไรเดี๋ยวมันกลับไปทบไปตีเมียมันข่าวไปข่มขืนคนความจ่าความชั่วเป็นไงกว้างขึ้นมากอีก ทั้งๆ ท, ท, ที่เราเหยียดดีจะเตือนมันนะนะไล่มันออกไปพอไล่ปั๊บเท่านั้นมันกระจายไปหมดได้สิบคนกระจายไปทำความชั่วเพล่ไหมหมดเลยนั้นให้มันทําชั่วตรงนี้เลยพอแล้วนะนี่ก็คือการเรียงลําดับในการสอนนะไม่ใช่มันเขาเรียกว่าเป็นมันต้องรู้อันไหนที่เป็นผลประโยชน์มากกว่ามันเหมือนกับเรื่องมูนาฟิกทําไมนบีไม่ประหารให้หมดจัดการเลยเพราะมันเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีคือคนภายนอกเขามองมาหรือสลาวซอบาเอง บางบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนที่มาสวามิภากกับนนะบีใหม่ๆเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ละมา่ข่านาบีโดนตัดคอแล้วฉันไม่ไปซูโบโด้วยอุย้ยฉันเสียวเลยเห็นไมคือนี่ไงมันก็คือการบริหารจัดการนะครับของท่านนาบีของเรานะอ้าวต่อมาที่จบละอ่าหมดแล้วนี่อ่าเอาเรบอกว่าอ่าไม่ต้องอะไรนะไม่อย่าไปเปิดเผยกับพวกเขา นะครับโดยที่ไม่ต้องกลั ว, โ ด, ลวโดยที่ไม่ต้องกลัวพวกเขาแต่ประการใดและให้มอบหมายต่อนอะแผนการไม่สําเร็จหรอกมันก็วางแผนไปไม่ต้องไปกลัวมันว่ามันจะทําผลสําเร็จอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพวกที่เป็นมูนาฟิกก็แสดงตนออกมาอย่างชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้มุสลิมมันก็จะรู้แหละ ว, ว่าใครเป็นไม่เป็นนะอะแล่ว่านาบีก็สุดท้ายนาบีก็ไม่ได้ประหารนะอับดุลลาบินอุบัยบินสลูนเนะี่ยเป็นไตาย เป็นโรคตายไม่ได้โดนฆ่าตายนะอเอพราะอับดุลลอฮ์ก็ลูกชายเขาก็เอาเอาผ้านาบีไปกฝันด้วยแต่ไม่ได้ละหมาดนะฝังอย่างเดียวห่อศพแล้วฝังคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยห่อแล้วก็ฝังส่วนคนเป็นมุสลิมต้องทำสี่อาบน้ําหอ่อละหมาดฝังถ้าคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ห่ออย่างเดียวแล้วก็ฝังเลยทำสองอย่างอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีศาสนาสมมติ ไปเจอคนหนึ่งไม่มีศาสนาเขาฝากมอบหมายให้เราจัดการศพไม่ใช่มุสลิมไม่มีศาสนาหอฝังจบแค่นั้นแหละ2องอย่างแต่ถ้าใครมีศาสนาไหนก็ปฏิบัติตามหลักธรรมาศาสนาของนั้นไปเพราะว่ามุนาฟิกเขาก็ไม่ได้เชื่อศรัทธาอะไรก็ไม่มีศาสนาเลยนะเป็นการเฟดเขาก็ฝังแล้วก็อหอแล้วก็ฝังนะครับอ่ะสุบาฮานะก็รอฮุมมาอบฮัมดีกะอัดุอัลอิลอิลลตะอัสตฟกะวะตูบลอัสลามุอะลัยกุมราห์มะตุลลอฮ์วะบรักะตุ